บุณกะยักษ์กล่าวว่ามาเถิดเราจะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นอิสราธิปดีพระราชทานท่านให้แก่ข้าพเจ้าแล้วขอท่านจงทาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทำนี้เป็นของเก่าวิธุระกล่าววา่าท่านมานพข้าพเจ้าย่อมรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อันท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้อันพระราชาผู้เป็นอิสราธิบดีพระราชทานแก่ท่านแล้วแต่ข้าพเจ้าขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนสักสามวันขอให้ท่านพักรออยู่ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าสั่งสอนบุตรภรรยาก่อนปุณกะยักษ์กล่าวว่าคำที่ท่านกล่าวนั้นจงมีแก่ข้าพเจ้าเหมือนอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพักรออยู่สามวันตั้งแต่วันนี้ ท่านจงทำกิจในเรือนทั้งหลายท่านจงสั่งสอนบุตรภรยาเสียแต่วันนี้ตามที่บุตรภรยาของท่านจะพึงมีความสุขในภายหลังในเมื่อท่านไปแล้วอุณกะยักษ์ผู้มีสมบัติหน้าใคร่มากมายกล่าวว่าดีละแล้วหลีกไปพร้อมกับวิทุระบัณฑิตเป็นผู้มีมารยาทอันประเสริฐสุดเข้าไปภายในบ้านของวิทุระบัณฑิต อันบริบูรณ์ด้วยช้างและม้าอาชาในปราศาสตร์ของพระมหาสัตว์มีอยู่สามหลังคือโกณจะปราศาสตรหนึ่งมยุระปราศาสตหนึ่งปิยะเกตาปราศาสตหนึ่งในปราศาสตร์ทั้งสามหลังนั้นพระมหาสัตว์ได้พาปุณญกะยักษเข้าไปยังปราศาสตร์อันเป็นที่น่ารื่นรมยิ่งนักมีพักสาหารบริบูรณ์มีข้าวน้าเป็นอันมาก ดังหนึ่งมัสกะสารวิมานของ้าววาสวะฉชะนั้นนารีทั้งหลายผู้ประดับประดางดงามดังเทพอักษรในเทวโลกฟ้อนรำขับร้องเพลงอันไพเราะจับใจกลอมปุนกะยักษ์อยู่ในปราศาสนั้นพระมหาสัตว์ผู้รักษาธรรมรับรองปุนกะยักษ์ด้วยนางบำเรอที่น่ายินดีทั้งข้าวและน้ำ แล้วคิดถึงประโยชน์อันเลิศได้เข้าไปในสำนักของภรรยาในการนั้นได้กล่าวกับภรรยาผู้รูปไร้ด้วยจุนจันและของหอมมีผิวพันผุดผ่องดุดแท่งทองชมพูนุษว่าแน่นางผู้เจริญผู้มีดวงตาอันแดงงามมานี่เถิดจงเรียกบุตริดามาฟังคำสั่งสอนนางอโนชาได้ฟังคำของสามีแล้ว ได้กล่าวกับลูกสะั้ยผู้มีเล็บแดงมีตางามว่าแน่เจ้าเจตาผู้มีผิวพันดังดอกนิลุบลเจ้าจงเรียกบุตรทั้งหลายของเราผู้ทรงเครื่องปกปิดหนังผู้แกล้วกล้าสามารถมาพระมหาสัตว์ผู้รักษาธรรมได้จุมพิตบุตรทิดาผู้มาแล้วนั้นที่กระหม่อมไม่หวั่นไหวครั้นเรียกบุตริดามาพร้อมแล้ว ได้กล่าวสั่งสอนว่าพระราชาในอินทปัตทนครนี้พระราชทานพ่อให้แก่มานพแล้วพ่อพึงมีความสุขของตนเองได้เพียงสามวันตั้งแต่วันนี้ไปผลจากนั้นแล้วพ่อก็ต้องเป็นไปในอำนาจของมานพนั้นเขาจะพาพ่อไปตามที่เขาปรารถนาก็พ่อมาเพื่อสั่งสอนลูกทั้งหลาย พ่ อ, อยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันให้แก่ลูกทั้งหลายแล้วจะพึงไปได้อย่างไรถ้าพระราชาผู้ปกครองกุรุรัตผู้มีพระราชาสมบัติอันน่าใคร่เป็นอันมากมีความมั่นคงคือประชาชนจะพึงตรัสถามลูกทั้งหลายว่าเมื่อก่อนเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุเก่าๆอะไรบ้างพ่อของเจ้าทั้งหลายได้พร่ำสอนอะไรไว้ในการก่อนบ้าง ถ้าว่าพระราชาจะพึงมีพระราชองค์การตรัสว่าเจ้าทั้งปวงจงเป็นผู้มีอาสนะเสมอกันกับเราในราชาตระกูลนี้นอกจากพวกเจ้ามนุษย์คนไร้เล่าจะนำประโยชน์มาแก่พระราชาลูกทั้งหลายพึงถวายบังคมกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐพระองค์อย่าได้รับสั่งอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่า เพราะข้อนี้มิใช่ธรรมเนียมขอเดชะสัตว์ผู้มีชาติต่าต้อยจะพึงมีอาสนะเสมอด้วยพยาไกรสอนราชสีอย่างไรได้พระเจ้าข่าลักขกันจบ